เก่งในของไม่เป็นท่ากล้าในของไม่ดีนี่หว่ทาท่านจันมั่นท่านพูดอยากให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินมาฟังโอ้ว่าของท่านโอ้แหลมคมพุ่นแลวสะเทือนถึงกิสะเทือนถึงจิตก็คือสะเทือนตัวกิเลสนั่นเองทำให้สะดุดใจสะดุดใจสลดสังเวชบางทีน้ำตาล่วงในขณะฟังท่านใหอมันถึงใจขนาดนั้น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 คำจริงก็อย่างท่านว่าต้องมาบวชตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชือกระวา่าต้องบวชตัวเองทั้งนั้นบทสุดท้ายบวชตัวเองตัดสิ่งที่เกี่ยวข้องภายในตัวเองให้หมดไปโดยลาดับๆเขากลายเป็นพระขึ้นมาเนี่ยเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นพระสกีธาเป็นพระอนาคา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 ตามจริตนิสัยความรู้ความเห็นการจริตนิสัยจะรู้อย่างไรก็ตามก็คือคือรู้กาย ร, ร, รู้สัธจธรรมมันนั้นหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้รู้หลายข้างหลายหนก็เข้าใจไปเองปล่อยวางก็ได้เองเที่ยวกรรมฐ า, านนี่เที่ยวตรงนี้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 ท่านมีความผาสุกะมาอยู่ในท่านการแห่งขันที่เป็นกองเถิงทั้งกองนั้นไอะเราอยู่ในกองเถิงรือทุกร้อนอยู่ในกองเถิงคือเป็นตะขันจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้าดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจของตน